เพิ่มคิดถึงวันที่ฉันเคยอยู่ข้างเธอกอเธอไว้จนกว่าฝนซาฉันคงทำได้เพียงแค่ภาวนาและขอให้เมกที่อยู่บนฟ้าค่อยค่หายละ คนนั้นที่ยืนข้างเธอเขาจะทำแบบที่ฉันทำไหมในวันที่ฝนละมั้นมีใครดูแลหรือเปล่าเพราะฉันยังจำได้เธอไม่เคยชอบวันที่ฝนครังแต่เราก็พา Now, ในทุกคราวที่มีฝนมาเธอคงมองหาสักคนข้างกายฉันเคยทำได้ทำในความเงาภายแต่วันที่ดีนั้นกลับจางหายคือเคยสลาย วมามีใครดูแลหรือเปล่าเพราะฉันยังจำได้เธอไม่เคยชอบวันที่ฝนพรำแต่เราก็ผ่านมันด้วยกัน yeah. ฉันคือนิ่งหูจะได้หรือเปล่าถึงแม้วันนวันนี้จะมีเขาแทนที่เราตรงนี้ยังมีทีให้เราฝนม ฉัน